เวลาเข้าไปแล้วก็ใส่กุญแจซะเพื่อความปลอดภัยเป็นตองพ่ตกกังวลว่าใครจะเข้าไปหาพวกเราเอกีกพอเข้าไปแล้วก็ใส่กุญแจเลยไม่ตองเออตองร ะ, ว, งระวังระวังเกี่ยวกับคู่คนเข้าไปหาพวกเราเรากนนั้นไปตั้งอกตั้งใจภาวนาเดินจงกรมอยู่รอบธาลาข้างใดข้างหนึ่งอยู่คนละมุมกัน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 ไม่ก่าวมุสาไม่ดื่มสุราแล้วก็ไม่ทานอาหารเย็นไม่ทัดชงดอกไม้ของหอมไม่ฟังเสียงร้องรําทําเพลงแล้วก็ไม่นอนที่นอนอันใหญ่ทิ้งยัดนุ่นและสลําลีไปรักษาศีลถ้าจบมาแล้วพอจะให้วันละร้อยเด็กหนุ่มก็จะได้เงินใช่พอได้เงินร้อยนึงก็สนุกเที่ยว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 พระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรแล้วก็มาพูดให้พ่อฟังพ่อจะให้รางวัลอีก50บาทเป็น200นะอ่าไปฟังให้ฟังให้ฟังนะที่นี่นะครับลูกชายนี่กันเนะี่ยมจอยากจะได้เงินพ่อไปเขาได้กับไปนั่งอยู่มุมหนึ่งนะพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้นะนะพอจะแสดงธรรม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 ลูกชายของท่านได้อริยศัพย์แล้วไม่ต้องการโลกียะไม่ต้องการโลกิยะแล้วต้องการโลกุต ล, ลกตละสัพย์ได้โลกุตละทรัพย์แล้วเขาได้เป็นพระโสดาบันแล้วเขาไม่ต้องการแล้วโลกียะนี่แหละพระอนาคามีก็ซาทุนี่แหล ะ, ออาา ก, หละก่อนที่จะให้ลูกดีเล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 เรานั่งไปนานๆมันปวดแข้งปวดขาเนี่ยมันสู้กับมันหรือซิมันจะหลับไหมในขณะที่มันปวดแข้งปวดขาน่ะปวดหลังปวดเอวน่ะมันนอนไปหลับพุทธโธสู้กับมัน เ, นเป็นยังไงไอ้ผัวในชุดเนะี่ะถ้าเราเอาชนะเวทนาตัวนั้นได้เลิศประเสริฐ น, นะพวกเราท่านทั้งหลายนะสู้นะเออย่าไปทำหล่อๆอไแหละไม่ได้ต้องสู้มันนะ ต่อนี้ไปก็ฟังเทศนาทีน่นะนั่งสมาธินะ่ะพวกเราหนะ้านั่งขัดสมาธิภาวนา